ของศาสดาที่มีไว้แล้วในตำราจริงๆไม่ใช่แบบแอบแสงแสงหรือแผลงไปดังที่เนเห็นกันทั่วๆไปมีลักษณะอยากเด่นอยากดังไม่เข้าร่องเข้ารอยอย่างนี้นไม่มีลำดับของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิบัติทางด้วยความเป็นธรรมล้วนๆ จึงไม่มีแง่ใดที่น่าสงสัยถ้าผิดพาดำเนินมานี่ก็พอจะทราบเรื่องราวบ้างเป็นทุดงขวัดการฉันมื้อเดียวหนเดียวนี่ก็มีอยู่แล้วในทุดงสิบสามข้อการบินทบาทเป็นวัดคือไม่ให้ขาดเมื่อ ยังฉันอยู่ทั้งนี้ก็มีในทูดงสิบสามนั่นแล้วการฉันในบาทก็มีในทูดงนั่นแล้วนี่ที่ปฏิบัติกันอยู่นี่ก็เห็นได้อย่างชาัดเจนไม่มีลี้ลับอันใดเลยเพราะในตาํารามีไว้อย่างชาัดเจนอยู่แล้วท่าน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 จังหวัดปราจีนนำมาถวายท่านเท่านั้นด้วยความเมตตาสงสารท่านเจ้าขุนนั้นแหละเท่าที่สังเกตดูเพราะก่อนที่ท่านจะถวายด้วยมือท่านได้กราบเรียนให้ท่านทราบก่อนว่านี้เป็นผ้าป่าท่านวางนั้นดูว่าท่านกรอเองแล้วไปให้ช่างหุ้เขาทอให้ว่าอย่างนั้นท่านจึงไม่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 เดี่ยวมากสำหรับองค์ท่านที่เคยปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดวัาขาดตอนเลยถ้พูดถึงด้านภาวนามีเราพูดเพียงแง่ทุดงเพียงเด็กน้อยเช่นการอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าเหล่านี้มีในทุดงหมดแล้วไม่เป็นข้อที่น่าสงสัยในถ้าเงื้อผาเหล่านี้มีในอนุศาสตร์แงะในทุดงที่สามอยู่แล้ว นั่นเป็นธรรมที่ตายใจได้จริงๆที่ท่านพาดำเนินมาเราทั้งหลายได้ยึดเป็นแนวทางสืบมาจนจนปัจจุบันนี้เพราะท่านเป็นผู้พาดำเนินนี้พูดถึงเรื่องทุดงคี่สามเราพูดเพียงข้อไดข้อหนึ่งไม่จบทุกไม่พูดโดยตลอดทั่วถึงทุกข้อไป สินสัตชีก็สมทานไม่นอนเป็นวันวันหรือคืนคืนไปอย่างนี้เรามีในตุดงอนอกจากนั้นวิธีดำเนินทางด้านกิตตภาวนาท่านก็ไม่ได้พาบำเพ็ญหรือปฏิบัติให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นเลย สอนพุทธโธหรือสอนอนาปานาสติหรูออาการสามสิบสองนับแต่แตกรรมาฐานห้าขึ้นไปจนกระทั่งถึงอาการสามสองเหล่านี้มีในตำหรับตำราจโดยสมบูรณ์อยู่แล้วไม่เป็นข้อสงสัยไม่เป็นที่ไม่เกิดความระแวงอะไรทั้งสิ้นที่ท่านพาดำเนินมา ไม่ได้มีบทแปลกๆต่างๆและเป็นสิ่งที่ผูกขาดบ้างหรือเป็นที่อะไรขรังขังบ้างอย่างนี้ไม่ปรากฏถ้าขังก็ขังด้วยความเป็นธรรมจริงๆคือเอาจิงเอาจังประหนึ่งว่าขังไม่ใช่ขังแบบโลกๆขังด้วยความเป็นธรรมขัง้วยความแน่ใจตัวเองและทำความอุ่นเกียตัวเองด้วยความขังนั่นจริงๆนี่คือปฏิปทาที่ ป้าแม่ครอาจารย์มั่นพาดำเนินมาการขบการฉั น, นอันนี้จะยิ่งละเอียดมากหรือยิ่งถ้าพูดตา ม, ตามอย่างวัดป่าบันตาเราก็เรียกว่าผิดกันอยู่มากทีเดียวเพราะนั้นท่านอยู่ด้วยความเฉ้มเขียมฉันก็เหมือนกันอดอยากขัดแทนไปบ้างไม่ได้สมบูรณ์ผล ผ, ล, ผลอะไราหรับกลับหรืออะไรเหล่านี้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 ผู้ปฏิบัติอันนี้ต่างกับวัดท้องเราอยู่มากเพราะมีวัดนี่มันเหมือนกับอยู่ในตลาดการคามนาคมของคนไปมาหาสู่ได้ง่ายดีไม่ดีลาดยางมาจากถนนใหญ่จนกระทั่งถึงหน้าตลาดสะดวกมากถ้าตุปั จ, จทั้งสี่รู้สึกว่าสมบูรณ์ทุนผลจนผู้ที่จะลืมเนื้อลืมตัวก็ลืมได้จริงๆ นังที่ท่านว่าส ก, กาโรโอปุสังหันติลาภสกการะย่อมฆ่าคนบุตรผู้งโง่เขาวลืมเนื้อลืมตัวเสียก็คือฆ่าพระเรานั้นแหละลืมเนื้อลืมตัวด้วยจะตัปัจจัยสี่หาความประมาณความพอประมาณพอดีพอดีในตนไม่ได้กลายเป็นความทะเยทะยานไปตามปัจจัยสี่ด้วยความเคารพนับถือของคนไปเสีย นี่เป็นความเสียหายในวงปฏิบัติของเราท่านให้ลืมเนื้อลืมตัวเรื่องเจตุปจัยทยทานทั้งสี่ยีวนันบินทบาทเนาสนณะอิลานาเพษัดเป็นต้นนี่เรียกว่าปจัยทั้งสี่แล้วแยกขยายอันใดที่ควรแก่การสงเคราะห์เข้ามาปจัยทั้งสี่นี้ข้อใดข้อหนึ่งได้ทั้งนั้นอัานี้สำหรับว่านเรามีมากเจตุปจัยทั้งสี่ผู้ที่หลง ลืมเนื้อลืมตัวกับปัจจัยทั้งสี่ตลอดความเคารพนับถือของประชาชนที่เข้ามาแสดงอาการเคารพรวมใจนี่เป็นความเสียสําหรับผู้ลืมเนื้อลืมตัวเพราะพระไม่ใช่เพศที่ลืมเนื้อลืมตัวพระในครั้งพุทธกาลพระของสถาคตจริงๆพระสักกาสักกายบุตรไม่ใช่พระที่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่พระที่ติดอยู่ในโลกามิตธิทั้งหลายเหล่านี้ซึ่ง มีอยู่ทมไปทั่วไปในโลกอันนี้ไม่เป็นของแปลกประหลาดยิ่งกว่าธรรมที่พระลูกศิษฐาคตกําลังบําเพ็ญอุ้เกียรขุดค้นอยู่ภายในใจในกายของตัวเองนี่อันนี้เป็นของประเสริฐมากเป็นของแปลกประหลาดมากผิดสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเนื้อลือนตัวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของไม่ได้มีคุณค่าอะไรนักเพียงอาศัยส่วนร่างกายไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้น อยากให้ได้เป็นขวากเป็นหนามมาทําลายการดําเนินเพื่อทําอันประเสริฐเลิศเลยซึ่งมีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจกายของเหล่านี้ได้แก่อริยจัตตสีนี่แหละเป็นทางเดินเพื่อความดุดท้นได้โดยถูกต้องและเป็นทางเดินเพื่อทําอันประเสริฐจะจะทำทั้งสีนี้เป็น ท, ทางอันประเสริฐเป็นแนวทางอันประเสริฐ ที่จะยังที่จะทำให้ผู้บำเพ็ญถึงทำเดืนประเสริฐได้ต้องเป็นผู้สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้งสีนี้โดยทางมรคคือปัญญาเป็นสาคัญท่า <c oughs> ทนจึงสอนให้ลืมเนื้อลืมตัวเราจะเห็นได้ที่พระองค์ทรงสลดสังเวชจากการพิจารณาของพระองค์จนถึงกับได้ตรัสรู้แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนโลก เช่นวันบำเพ็ญที่จะตัดรู้ในคืนวั น, วนเดือนหกเพ็ญเบื้องต้นท่านก็ทรงบำเพ็ญอนาปานสติที่ยึดได้จากอดีตในคราวที่พระราชบิดาธทาเสด็จทาเสด็จไปแ ร, รกนาขวัญพระองค์ประทับอยู่ใต้รูปไม้ ทรงเจริญอนาปาทิได้รับความสงบร่มเย็นมากมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วทรงย้อนนึกถึงการนั้นด้วยอนาปาทินั่นแหละได้นำมาเข้าสู่ในวงปัจจุบันของการบำเพ็ญในคืนวันเดืนอน6เป็นนั้นนี่เริ่มต้นที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวนาของพระองค์ในปฐมมยาม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 สูงสูงต่ำต่าุ่มนุ่มดอนๆ อ, อนตามอำนาจแห่งรมดีคมชั่วที่สับปนกันอยู่ในจิตดวงเดียวนั้นนี่พระองค์ทรงเร่งดูยานเรงยานที่ว่ามาได้ตรัสรู้หรือได้บรรลุปุเพนิวาสานุสิทธิสิทิยานคือยานอย่างทราบหรือเลือกชาติถอยหลังที่เคยเป็นมาแล้วได้มากมายแนว ทำให้พระองค์เกิดความสุดสังนต์ในการท่องเที่ยวอย่างวัดตะสงสารของจิตดวงนี้ดวงนี้คือจิตพระพระองค์นั่นแหละทรงพิจารณาไปตั้งแต่อดีตย้อนไปถึงอดีตจนหาประมาณไม่ได้เรียกว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งทางที่อันเป็นที่ท่องเที่ยวของวัดตาจิตดวงนี้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 พบน้อยพบใหญ่มีล้วนมีทุกทั้งนั้นมากน้อยต่างกันเป็นลําดับลำดับาตามกรรมมณิยมนี่ก็ทําให้พระองค์คงเกิดความสลดสังเวยเรียกว่าเต็มพระไถยในปฐมยามที่เดชมนรนลุบุเพนิวาสานุสติยา น, นี้นี่ตึงเป็นเรื่องของพระองค์เพียงพระองค์เดียวคือพระจิตหรือวิญญาณดวงนี้ของพระองค์เพียงดวงเดียวเท่านั้น จนพรนธนาไม่จบในเรื่องพบเรื่องชาติเกิดแก่เก็บตายพอถึงปัตตมัมายามก็ทรงบรรลุจตุปาตายานทรงอย่างทราบเรื่องความเกิดความตายของจิตวิญญาณแข่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในโลกนี้ไม่มีจิต ด, ดวงใดที่จะอยู่ได้ว่างปเปล่าด้วยความเป็นอิสระของต น, น ล้วนแล้วแต่หมุนเย็นเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับพระองค์ที่เคยเป็นมาคือเช่นเดียวกับบิญพระวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่เคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเหมือนกันนีเป็นวงกว้างขวางของสัตของวิญญาณแห่งสัตวโลกที่มีอยู่ในสามภพนี้ไม่ไม่มีวิญญาณดวงใดจะว่างจากความหมุนเย็นด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นกรุงจักรหรือวัตจักรนี่เลยแม้แต่ดวงเดียว เมื่อเป็นฉะนั้นชัดทั้งหลายก็ย่อมสเสวยความทุกข์ความทรมานด้วยความหมุนเยียนเกิดตายของตัวเองทั่วหน้ากันมีมีสุขบ้างทุกมีสุขบ้างทุกบ้างอย่างนี้พอประมาณไอ้ไอ้สุขน้อยทุกมากนี่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดในแหล่งอย่างโลกธาตุนี้ด้วยวิญญาณที่แบบความทุกข์ความทรมานเพราะความเกิดแก่เจิดตายและเพราะกรรมที่ตนสร้างมา เื้อปนไปในภพนั้นนั้นนี่ทรงเกิดความสลดสังเวชมากมายในบรรดาวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายนอกจากทรงสลดสังเวชในพระจิตของพระองค์ตอนปฐมยามแล้วย่างมากเกิดความสลดสังเวชอย่างมากมายในจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดและตายอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนไม่ เต็มทั่วโลกกระถาเต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องความเกิดตายของยินยานอย่างสัตว์โลกนี้นั่นนี่พูดถึงเรื่องความสโลดสำเร็จของพระองค์จนได้ทมขึ้นมาเป็นเครื่องท่ำสอนโลกในปัจฉิมยามคือได้ตรัสสรู้ทำได้แก่สังหารอวิชาตัวเป็นเชื้อพาให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เก็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่น ออกจากพระไทยโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละยังได้ทำอันแท้จริงมาสั่งสอนโลกด้วยความรู้รู้จริงๆเห็นจริง ๆ, ๆเรื่องของพระองค์ว่าเคยเกิดมาผี่พบผี่ชาติก็ทรงรู้ทรงเห็นในปฐมมยานนะเนในปฐมมยาม น, นั้นในเรื่องความเกิดตายของจัตทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุแห่งโลกธาตุนี้ก็ทรงทราบชัดในปฐมมัจิมายามคืนวันเดียวกัน และการตรัสรูท้ทำแทงรู้แจ้งแทงทะลุความวัตจักรวัตจิตออกจากพระจิตโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ได้ตรัสรู้ก็ได้สังหารกันแล้วในคืนวันนั้นพรงเป็นผู้ได้ตรัสรู้ธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่มาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่สงสัยไม่ได้พระพุทองค์ทรงผ่านมาทั้งหมด เรื่องของพระองค์เองก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยปุเพนิวาสานุสติญายเรื่องของสัตว์โลกทั้งหลายก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยจุตุ ป, ปาตยาที่ทรงอย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่องพบเรื่องชาติที่ เ, เห็นให้กอให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแจกเก็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้คือสังหารมันเรียบร้อยแล้วในพระทัยของพระองค์จึงเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทธะเต็มดวง แล้วนำทรรมที่ได้ทรงรู้แจ้งแทงพะลุมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาสงสารอย่างยิ่งไม่เป็นไม่มีอันใดจะเสมอเหมือนความสงสารนั่นเลยนี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ถูกตั้งแม่นยำเหมาะสมกับผู้ที่มีอมนาจวาสนาที่ควรจะได้ครอง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 ที่รือถอนสัตว์โลกเป็นศาสนาที่สัตว์โลกได้สร้างบรารมีคุณงามความดีทั้งหลายได้เต็มเมเ็ดเต็มหน่วยเป็นบุญญาพิสมภานฝังในจิตใจที่เรียกว่าเป็นอุปนิสัยติดจิตติดใจมาด้วยการสร้างคุณงามความดีจากศาสนาธรรมของพระเจ้าหรือจากพุทธศาสนาของพระเจ้าทุกทุกพระองค์เรื่อยมาจะเป็นองค์ไหนก็ตามแล้วแต่ ผู้ใดรายใดจะประสบพบเห็นกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆและศาสนาของพระองูดได้กับพุทปฏิบัติตามมาล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างคุณงามความดีที่เรียกว่าบารมีมาล้วนๆจนถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายได้พบเห็นพุทธศาสนาพร้อมทั้งในปฏิบัตินี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีมาษนาบุญญาพิสมพานพอประมาณจริงๆไม่เช่นนั้นจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เลยอืเราเป็นผู้ได้เจีย แกสัตว์ทั้งหลายหรือประชาหรือคนก็ตามในจำนวน4ี่ล้านคนมนุษย์เราที่มีอยู่ในโลกนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้ประสบพบเห็นพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามนี่เราจึงเป็นผู้ได้เปรียบและส่วนสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องพูดหมดสังหร์จริงๆไม่มีทางส่วนมนุษย์ก็คือเราคนหนึ่งนี่ได้เปรียบเกี่ยกวกัมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจลงขอให้ทุกๆ ท, ท่านได้ภาคภูมิใจ ในการบำเพ็ญกุนงามของความดีของเรากับพระพุทธศาสนานี้และได้มอบกายถว า, ายชีวิตของตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและยึดพุทธทางธรรมัง ส, ง, งสังขังสนามกระฉามนี้เป็นชีวิตจิตใจฝ า, ากเป็นสักบากับท่านดังที่เป็นมานี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นธรรมาชาติที่เราทั้งหลายภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเหมาะสมจริงๆกับภูมิมนุษย์เช่นเราซึ่งเป็นผู้มี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 แปลนสิ่งที่ใครๆไม่รังเกียจแต่เพราะอย่างยิ่งความสุขแปลนสิ่งที่โลกต้องการด้วยมาความทุกข์มีแต่คนรังเกียจสับดังเกียจไม่มีใครต้องการมีเราในบำเพ็ญความดีนี้เพื่อความสุขจะยากลาบากบ้างหรือยากลาบากมากน้อยเพียงไรก็ขอให้ถือหลักความสุขเป็นที่ตั้ง ที่จะน้อมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นให้ได้มากน้อยเต็มกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเราจะไม่ผิดหวังพออยู่เราก็อาศัยความสุขหวังความสุขการตายไปนั้นเราก็หวังความสุขเป็นหลักของใจเป็นที่ยึดของใจเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราถ้ามีแต่ความทุกข์ร้อนโดยถ่ายเดียวแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันคับแคบนิดเดียวเท่านั้น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 เฉพาะอย่างยิ่งเอาเราทําความภาคเพียรให้เห็นชัดเจนกับตัวของเราเองเนี่แหละวันใดจิตของเราว่าวุ่นขุนมัววันนั้นภาวนามาได้เดืองนั่นฟังสิวันไหนเราดัดจิตของเราลึกปราบจิตของเราได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอาหานแล้ววันนั้นจิตสงบลงให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเป็นได้สําหรับผู้เด็ดเดี่ยวอาหารไม่สงสัยท้อ น, นี้เป็นคติธรรมดาของข่าสุข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 ให้เราได้ร um ับความทุกข์ความลำบากเป็นส่วนมากมากกว่าส่วนดีนั่นคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นพิษตั้งภายในจิตใจนี่เละมันถีบตัวมันออกมามันแสดงฤิเดชแล้วมันออกมาด้วยที่ยาท่าทางต่างๆภายในจิตใจจึงทาให้เราคิดในแง่นั้นแง่นี้อันเป็นส่วนเสียเป็นส่วนไม่ดีจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านแล้วลําคาญเกิดความทุกข์ภายในตนเองเพราะธรรมชาติอยู่ภายในนั้นมันมีกําลังมากส่วนธรรมมีกําลังน้อยก็ต้านทานกันไม่อยู่ เมื่อต้านทานก็ไม่อยู่สู้กันไม่ไหวเรื่องของสิ่งที่เป็นพิกษก็ยิ่งสนุกแสดงรดลายออกบิ้บออกเดือดเต็มฝีมือของตัวเองนั่นแหละเวลาเราได้รับความทุกข์มากเพราะการแพ้ของเราสู้มันไม่ได้มีเราพูดในวงปฏิบัติแล้วนี่แหละผมเคยเป็นมาแล้วไม่ได้โอ้ได้อวดพูดให้เป็นคติแก่มูแก่เพื่อนบางทีน้ําตาร่วงก็มีผมบำเพ็ญเพียนสู้มันไม่ได้อย่างที่ว่านี่แหละ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 นล้วน้ําตาล่วงออกมานั่นความเครียดแค้นที่จะเอามันให้ได้นี้เป็นความเครียดแค้นในทางด้านธรรมะเรียกว่าเป็นมรรคไม่ใช่เป็นความขึ้นที่ว่าความเครียดแค้นแล้วจะเป็นกิเลสเสียโดยถ่ายเดียวไม่ใชใ่พากันเข้าใจไว้ในตอนนี้อีกนะส่วนมากนักประชาพุทธเหล่านั้นแหละว่าอยากอะไรก็ตามหรือมีอะไรก็ตามที่ที่จะเป็นเครื่องสังหารกริเลสแล้ว ให้กิเลสมาปลอมเอาเสียว่ามันเป็นปัญหานะเอถ้าอยากอย่างนี้เป็นปัญหาถ้าเครียดอย่างนี้เป็นความโกรธเป็นความโมโหโทโสเลยให้กิเลสต่อมไปหมดไม่มีความโกรธต่อกิเลสไม่ให้มีความเครียดแค้นต่อกิเลสไม่ให้มีความอยากต่อการตามตามกิเลสสุดท้ายก็กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอานี่ให้พักกระชับเอาไว้เรื่องความอยากมีด้วยกันความเครียดความเครียดแค้นมีด้วยกันฝ่ายกิเลสเครียดแค้นเพื่อผูกมัด เทียดแฉนเพื่อก่อความทุกข์ความทรมานให้แก่เราเองนั่นเรียกว่าเป็นฝ่ายที่เล็กความเทียดแฉนที่จะดัดสันดานฤทธิที่จะปราภิเลตอันเป็นตัวฆ่าศึกทำลายเราอยู่ภายในใจิตใจนี้ให้สิ้นซ่าลงไปนี้เป็นความเทียดแฉนในทางมักอมีความเทียดแฉนมากเท่าไหร่มีความอยากหลุดพ้นบุดพ้นหรือมีความอยากชนะมากเท่าไหร่นั่นแหละความเพียรยิ่งแต่กล้าสามารถจนกระทั่งไม่รู้ หลับรู้นอนเลยนั่นมันเทินในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นค่าสืบของธรรมนี่ความความเพียรเมื่อความเจียดแค้นใหนกิเลสมากเท่าไหร่ความเพียรยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดอัง น, นี้เราก็เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้หมู่พุ่นฟังเฉยๆจะพูดให้ฟังเพื่อเป็นคติและเป็นทางเดินต่อไปว่าเป็นของหมีได้ เอาเราเป็นตัวพยานอย่างนี้ก็ได้เราพูดอย่างนี้ต่างหากนะมันหมายเป็นจะโอ o ้อวดที่จะทําให้เกิดความแค้นมากจนถึงกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเนี่ยเราเคยเป็นมาแล้วเพราะจิตเสื่อมนะจิตเสื่อมนี้เราเคยพูดมาไม่ลู้กี่ครัง้งกี่หนแต่เพื่อนฝูงให้ได้ฟังเป็นความเข็ดหลบับเสื่อมนี้ทุกข์มากมกิตเสื่อมนี้ทุกข์มากจริงๆจนหาประมาณไม่ได้เลยไม่มีวันลืม แม้แต่ทุกวันนี้ยังไม่ลืมจะว่าอะไรกันเพราะมันถึงใจจริงๆจนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาด้วยจําความที่ว่าจิตเสื่อมนั้นไม่ลืมมันกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาไม่ใช่ความจำที่แล้วมันเป็นความจริงขึ้นมากับตัวเองนี่เฮ้ยพอเราเล่กความเพียนได้พอจิตไม่เริ่มจิตไม่เสื่อมแล้วก็ยิ่งยิ่งแน้นหนักลงไปเรืเ่อยๆ เ, เรื่อยๆเนยเลียกผูกเกลียดผูกผูกโกรธูกแค้นกันอย่างหนักเจนกระทั่ ง, น, งนั่งเอาหามลูงหามคำ่ำ อนผองเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคราวนี้เราได้อยู่ในอำนาจของเราซะแล้วกิ่เล็ดอ่อนตัวลงไปแล้วจิตเราได้เหนือมันแล้วเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคราวนี้จิต ด, ดวงนี้จะเสื่อมอีกไม่ได้ถ้าจิต ด, ดวงนี้เสื่อมอีกเราต้องตายเท่านั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตามได้แสดงว่าจิตนี้ไม่เสื่อมและจะเอาให้ผ่านพ้นไปได้มีความดแค้นนี่ถึงใจจริงๆไม่ลืนจะกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะความเสียใจความเสียดาย คือเสียใจนี้เกิดมาจากความเสียดายที่กิตเสื่อมกิตเสื่อมนี่ร้อนมากจริงๆนะผู้ภาวนายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเป็นอสมาธิไม่เคยสงบยังพอเป็นพอไปผู้ที่เห็นความสงบของกิตจนกระทั่งถึงแน่นตึงนี่ผมเป็นจริงๆนะจิตนี่แน่นเหมือนภูเขาเลยทีเดียวทั้งๆที่กิตมีกิเลสอยู่นั่นแหละนี่พลังของสมาธิที่มันมีกําลังมากเหมือนกับเป็นหินตั้งแต่กัม แ, แล้วก็เพราะการไม่รักษา คือความไม่รอบครอบไม่ฉลาดในการรักษาจิตประเภทนี้นั่นเองจึงทําให้ค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงโดยในตัวเจ้าครัวไม่รู้นะเมื่อเสื่อมลงไปเสื่อมไปแล้วกลับเอากลับคืนมาไม่ได้เพียงแต่ว่าเข้าได้บ้างคือเข้าสมาธิสงบได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นก็รู้ตัวว่านี่นี่จิตของเราจะเสื่อมแล้วรีบออกแล้วเห็นเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดนั้นมันก็ยียบหัวต่อหน้าต่อตาจนปีกว่าๆฟังเลยจิตถึงได้ก้าวหน้า กินได้กลับเจริญขึ้นมาแล้วไม่เสื่อมตั้งแต่บัตรนั้นแหละที่นี่ความเข้มข้นของใจความเครียดแค้นความระมัดระวังของใจนี้มีกําลังมากที่สุดเลยจนถึงขั้นที่วา่านั่งหามรุงหามค่าโกนพองพองไปอะไรจะตายก็ตายขอให้กินนี่ได้ทรงตัวไว้เท่านั้นถ้าจินนี้ได้เสื่อมเมื่อไรเราจะต้องตายแน่แน่นู่นน่ะฟังซิมันจะตายด้วยเหตุใดเราก็ได้คิดถึงพระโคติกัดที่ท่านเอามีดโกนมาเฉือนคอท่านตาย นี่มีในตำมีในตำลานะนั่นละ่ะท่านจิตทั้งท่านเสื่อมมาถึงห้าหนเจริญแล้วฌานท่านว่าท่านพูดไว้ในตำราว่าฌานเสื่อมจากฌานเสื่อมจากฌานก็คือเสื่อมจากสมาธินั่นแหละจะไปเสื่อมจากอะไรจะเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมถึงห้าหนหกหนนั่นละ่ะหนที่หกทัานละ่ะท่านเอามีดโกนมาไว้ทีเดียวเลยแล้วลเฉือนจริงๆในตาหนักตำามีนั่น ตายด้วยจริงๆเพราะความที่ท่านเสียใจนั่นเองนี่เป็นเหตุที่จะหย่ำถึงกันในเวลาที่เราได้เป็นอย่างนั้นคือกินของเราเสื่อมเสื่อมจนขนาดเสียใจขนาดนั้นเมื่อเวลาก้าวขึ้นมาคราวนี้แล้วจะเสื่อมไปมาได้เราจะต้องตายด้วยท่าใดาท่านหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนั่นรังความเสียใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันจึงมีกําลังกล้าเอามากมายในขณะที่ได้ปราบมันได้อยู่ในขั้นนี้แล้วจึงเอาอย่างหนักที่เรียวนี่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 บางทีนอนไม่หลับเพราะความเพียรกล้าเมื่อจากความเพลินในการต่อสู้กับกิเลสความเห็นโทษก็จนเกิดให้เกิดความเพลินอันหนึ่งเหมือนกันเพลินด้วยการจะปรับมันนั่นเองแล้วเรื่องของสติปัญญารวดเร็วคล่องตัวก็เพลินไปอีกอันหนึ่งนี่แหละทําให้เพลินความเพลินความไม่อยู่ไม่ถอยในความภาคความเพียรมันก็เป็นมานี่แหละมีกําลังกล้าอย่างนี้เองแล้วความอยากหลุดพ้นหรือความจะเอากิเลชนะกิเลส ไม่มีแทกเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่ก็มีกําลังกล้าเพราะฉะนั้นความเพียรจึงมีกําลังกล้านี่ยมันเป็นไปตามๆไปแล้วเนี้ยท่านเรียกว่ามากทั้งมวลกาลังกล้าสามารถทุกสิ่งทุกอย่างในด้านธรรมะที่จะปราบกิเลสแล้วเป็นมากทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าเป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสแล้วจะแก้กันไม่ลงนี่เป็นมากจริงแก้กิเลสและปราบกิเลสได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอาศานด้วยความเผ็ดร้อนประเท็นี้ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้อืมเรื่องความเพียรนี่จะมีเป็นพักๆตอนๆไปที่แรงนี่ก็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 ถึงจะยังไม่ได้มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าในทางปัญญาก็ตามเพียงขั้นนี้ก็พออยู่พอกินเพราะฉะนั้นผู้จิตที่เป็นสมาธิจึงมากจะติดสมาธิไม่อยากจะออกว่องขวาเนื่องจากไม่เคยเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือสมาธิไปซึงต้องติดในสมาธิถ้าไม่มีผู้แยกผู้แยะไม่มีผู้ดุผู้ดา่าหรือสั่งสอนว่ากาล่าวให้รู้จักวิธีการก้าวเดินสมาธิจะติดอยู่นั่นแน่แนแล้วจะกระทั่งวันตายหาทางออกไม่ได้เลยและไม่หานี่งมันจะหาได้อย่างไรมีอันหนึ่ง เนี่ยพอก้าวออกทางด้านสมาธิออกก้าวก้าวทางด้านปัญญาที่นี่ปัญญาจะเริ่มเรื่มไหวตัวไหวตัวไปไหนไหวตัวไปในสิ่งที่เป็นครื่องผูกพันธุ์ต่อเราแต่ก่อนมันเคยรักรักอะไรนั่นทั้งสิ้นอะไรที่เป็นนิสภากของของเรามันก็ต้องจาะเข้าไปตรงนั้นมันรักอะไรรักรูปรูปอะไรนั่นอย่างก็ไปก็ทราบเองนี่นะเสียงอะไรนั่นกลิ่นอะไรนั่น รถอะไรนั่นทั้งสิเพียงตอนนี้ท่านทั้งหลายเข้าใจหมายที่พูดนี่แหละที่เป็นวิจาระคือเป็นค่าสิบต่อกันมาเป็นประจำแต่เราถือว่าเป็นความรักความชอบใจของเราเพราะเป็นกิเลสทั้งอันทั้งดวงจิทัองเราเป็นกิเลสทั้งวงที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันจึงเข้ากันแน่นนิทไม่มีทางคิดว่าจะต่อสู้ทางคิดว่าจะเห็นโทษเห็นภัยแต่พอปัญญาอย่างเข้าไปแล้วมันจะเริ่มเห็นโทษนะเห็นโทษสิ่งที่เราเคยว่าเป็นคุณสิ่งที่เราดึก เคยบูชามันตลอดเวลาและถูกมันกล่อมอยู่ตลอดเวลาและจะเริ่มตื่นตัวขึ้นมาด้วยปัญญานี่ละท่านจึงเรียกว่าปัญญาพอสอดเข้าไปพับสอดเข้าไปพับตรงไหนตรงไหนจะค่อยทราบเห็นเรื่องโทษเรื่องคุณขึ้นมาเป็นคู่เคียงกันไปคู่เคียงกันไปเดิมลำดับไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งเห็นแต่ว่าเป็นคุณอย่างเดียว ท, ทั้งที่มันเป็นโทษนะพอปัญญาอย่างเข้าไปมันจะเห็นเป็นโทษแทรกกันเข้ามาในทางปัญญานี่ปัญญาก็กล้าเดินพิจารณาเอาจะพูดถึงเรื่องอันนี้จังเอา้เอาเตรงไหนมันเที่ยงมีไหม ในสกุลนการของเขาของเรานั่นทุกขังบีบบังคับไปตลอดเวลาหาความสุขเมื่อได้เมื่อไหร่นั่นอนัตตาถือว่าเป็นสารแก่นสารที่ไหนได้มีอันหนึ่งและแยกส่วนมากมักจะแยกเข้าไปอสุภะอสุภังนี่แหละอันสําคัญมากที่จะแก้เรื่องของราคาทาราคาให้เบาลงเรยลำดับลำดับจนจับเ่อนได้และจับตัวของมันได้ก็เพราะเรื่องอสุภอสุภังเป็นสําคัญนี่ท่านบอกปัญญาเก้าเดินเก้าอย่างนี้ทีนี้พอปัญญาเก้าเดินนี่แล้เห็นเหตุเห็นผลไปด้วยแล้วทําไมปัญญาจะอยู่ที่นี่ เห็นผลแล้วมันต้องก้าวเหมือนเราทํางานทําการปรากฏผลขึ้นมาอย่างไรอางแล้เจ้าของต้องมีความขยันหมั่นเพียรเช่นการค้ามีกําไรก็ย่อมมีความเพลิดเพลินในการในงานไม่ขี้เกียจที่ค้นเหมือนที่ว่าค้าขาดทุนทุกวันตุวแล้วควายจะจมใครจะมีแก่ใจค้ามันละ่ะนี่มีก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะถึงขั้นที่ปัญญาก้าวเดินเอาพิาจนาอย่ากนั้นแล้วก็จะเป็นปัญป ญ, ญาหมุนตัวไปโดยลําดับลาดั เคยพูดให้ฟังแล้วว่าภาวนามัญปัญญาหมุนไปละนี่หมุนเรื่อยๆเรยหมุนปัจจัยยิ่งเห็นยิ่งรู้ยิ่งเข้าอกเข้าใจสิ่งไม่เคยรู้รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่เคยคาดเคยคิดไม่เคยนึกว่าจะอะไรอะไรที่เราไม่เห็นมาแต่ก่อนว่าไม่มีแล้วมีปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมารู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาเน่สิมันจึงทําให้รู้ได้ได้อย่างชัดเจนว่าจิตนี้พิสดารมากที่สุดน่ะตาหูจมูกเล่นกาย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 มืดมิดปิ่นปางออกจากใจเดยดับดับก็เหมือนกันกันกบเมฆหมอกที่มันจางไปจางไปแสงพระอทิตย์ย่อมฉายแสงอยู่แล้วภายในใจนั้นย่อมจะกระจ่างออกมาคือนี่เหมือนกันอย่างนั้นแหละคือจิตนี้จะกระจ่างออกมาสิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันมีอยู่แล้วมันต้องเห็นที่นี่ก็เห็นไปเห็นได้แจ้งไปเรื่อยแจ้งไปเรื่อยนี่แหะทีะ่ว่าเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่จะให้อย่างทราบถึงเรื่องพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจรงิรงหรงือจรงิงในมาสั่งสอนโลกว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือบาปมีจริงหรือบุญมีจริงหรือ แล้วพรมโลกมีจริงหรือนิพพานมีจริงหรือมันไม่จริงได้ยังไงประจักษ์อยู่ในหัวใจหัวใจใจตรงนี้มันประกาศกลางวานถึงกันอยู่ประสานถึงกันกันกบความจริงต่างหลายที่พระพุทธเจ้าสาวกสงฆ์หลายรู้แม้จะตัวเท่าหนูนี่ก็ตามเธอจิตไม่ได้เรียกว่าหนูนี่ดังพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่านัตติเสโยปาปโยชน์นี่ผมพูดจะย่ อ, อเลยว่าบรรดาท่านผู้ที่บริสุทธิ์จิตมีจิตที่บริสุทธิ์ยมุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้ว มีความเสมอภาคกันหมดไม่มีปรากฏว่าจิต ด, ดวงใดยิ่งย่อนกว่ากันนั่นบางทีนี่แหละจิตธรรมชาติอันนี้แหละเป็นธรรมชาติที่รู้จะว่างไงต้องก็รู้สิพระพุทธเจ้ารู้ตัวเท่าหนูทำไมจะรู้ไม่ได้สิ่งที่อยู่ในวิสัยมต่ชนรู้รู้ได้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันกันเป็นเครื่องยืนยันรับรองมอบลาบคาบแก้วมอบตรงนี้แหละมอบต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงพระพุทธศาสนาลงตรงนี้ลงลงตรงที่บรรลุในใจิตใจด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งของตัวเองที่เรีย พังมาจากใจหมดแล้วเป็นยังไงจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นยังไงนั่นทำพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงนี่เข้ากันแล้วนี่ไม่ต้องปเปรียบก็ได้น่ะนีนนสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นเห็นไหมเดี๋ยวนี้รู้ไหมนี่ปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ว่าไม่รู้ไม่เห็นเป็นไตั้งๆตที่เห็นอยู่นี่ปฏิเสธได้ไหมนั่นปฏิเสธไม่ได้เมื่อเป็นยัองยอมรับยอมรั บ, รบนี่แหละที่ว่ายอมรับศาสนาของพระพุทธเจ้าว่าจริงจริงจอย่างนี้เองท้าจะเป็นผู้ยอมรับแต่เราตัวเท่าหมูเรายังยอมปะ เช่นท่านผู้เป็นพระหรหัสละัท่านมาทำไมท่านจะไม่ยอมละ่ะเราตัวเท่าเพียงตัวเท่าหนูเรายังยอมแล้วอย่านี้เรายอมจริงๆตายก็ตายเถอะเราไม่มีอะไรเสียดายยิ่งกว่าทําพระเจ้าหัวเราขาดขาดไปเลยเราไม่เคยเสียดายอะไรยิ่งกว่าทําพระเจ้าแต่ทําพระเจ้านี้ไม่ได้วางั่นเลยเป็นเอาเป็นตายเข้าสู้เลยนี่เพราะเห็นอย่างเห็นความจริงอันนี้เองนี่แหละที่เราพูดถึงเรื่องปัญญาก็าอย่างซาเข้าไปอย่างซาไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็นเห็นไม่เคยละละได้จะว่าง่าสิ่งที่ว่าท่านมาประเสริฐประเสริฐแต่ก่อน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 ทมนี่ ส, สดสดร้อนร้อนแท้แท้เราอย่าไปคิดว่าการโน้นสถานที่เวลาเวลานโ้นมีทำเวลาโน้นทำได้หรือทําคือทำล่าสมัยนี่เป็นเรื่องของกิเลสที่มันเคยกล่อมโลกให้หลับสนิทแล้วมันขึ้นขีอยู่บนหัวเหัวใจของเรามากกี่กับกีกันแล้วต่างหากมันหลอกทําแท้ท่านไม่หลอกท่านจะเป็นไปตามความจริงรู้ก็รู้ตามความจริงพระพุทธเจ้าจึงรู้เมื่อรู้ตามความจริงแล้วจึงสอนออกมาด้วยความจริงลบล้างกับความจําความของกิเลสเพราะกิเลสนี่มันความร้อยเปอร์ ทำมังคุดเจ้าจริงร้อเปอร์เซ็นเดินสวนทางกันลบล้างกันอย่างเต็มที่เลยไม่มีอะไรที่จะลบล้างยิ่งกว่าทำกับกิเลสลบล้างกันละ <c oughs> เมื่อถึงขั้นสติปัญญาทำเป็นต้นมีขึ้นภายในจิตใจแล้วจะลบล้างทั้งแต่กิเลสทั้งนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วดูแสนสบายนั่นแหละจิตวิญญาณดวงนี้แหละดวงที่พ้นจากความกดท่วงทั้งหลายของมัตตจักรวัตจิตแห่งแดนสมมุตินี้มีจิตดวงนี้เท่านั้นที่หลุดพ้นได้หลุดพ้นได้ นี้จิตะพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์ทั้งหลายเท่านั้นที่หลุดพ้นไปได้ที่อยู่เป็นอิสระแต่เราว่าอยากจะพูดว่าอิสระอหลืองเดี๋ยวมันจะก็จะหมายไปอีกนะเพราะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเราอยู่อิสระเหนืออย่างนั้นนี่เป็นสมมุติอันหนึ่งนะมันเป็นสมมุติแต่ลอย่างเนี่ยแต่เมื่อเป็นเข้าไปแล้วก็ทราบเองเป็นยังไงจิตเป็นอิสระเป็นยังไงยิบที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วเป็นอิสระเป็นยังไง ิที่ว่าพ้นจากขี้เหร่เป็นจิตวิเศษวิเศษยังไงก็ผู้ผู้นั้นคองอยู่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนเมื่อถึงใครรู้เข้าไปมันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนอย่างรถต่างๆที่ลิ้นเราสัมผัสเข้าไปพับพั บ, พ บ, พ บ, พ บ, พบมันก็รู้เองตั้เองไม่มีอะไรสงสัยนี่แห ล, ล, ละวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องปฏิบปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่เป็นที่แน่ใจหายสงสัย ไม่มีที่สงูงในแง่ใดแล้วองค์ท่านเองก็เป็นผู้ตักตวงเอามากเอาผลเต็มหัวใจแล้วไม่อย่างนั้นอถิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้ยังไงเห็นไหมเวลาท่านเสร็ จ, จแสดงธรรมเราไม่ได้มาหมายเอาพระพระพระบรมเอาพระอธิธาตุของท่านว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมที่ท่านสอนเรานะที่ธรรมที่ท่านสอนเรานั้นยิ่งวิเศษวิโสอยู่แล้วจะว่าไงยอมรับกันอยู่แล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตายอุปถัสาให้เต็มปากเราเนี่ยอืยอมรับแล้วว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระเช่นไร อันนี้เป็นพยายนอันหนึ่งตั้งหาที่ออกมาทีหลังนี้เวลาท่านตายไปแล้วเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คือรถแห่งธรรมของท่านที่แสดงมานั่นแหละเป็นสัีพยานยืนยันให้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่นไรในเวลาท่านมรณภาพจากไปแล้วอัติอของท่านจึงกลายพระธาตุขึ้นมานี่เป็นพยายนอันดับยาบอัานหนึ่งต่างหากแล้ว ย, ยิ่งกว่าธรรมที่ท่านแสดงมาซึ่งก็เป็นที่ทราบซึ้งต่อวงลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมากันมาแล้วทั้งหมดไม่ได้สงสัยท่านนี่ น, นั่นเป็นเครื่องแสดงออกนั่นเห็นไหมท่านตักจั่วมาไหมปฏิบัติธรรมไม่ถูกจะได้ตักจัก่วมาผลได้เหรอนั่นเหมือนอย่างก้าวเข้ามานี่ก้าวเข้ามาไม่ถูกทางก้าวมาวัดป่าบรรดาไม่ถูกทางจะไปเจอวัดปบ่บรรดาได้ยังไงต้องก้าวเข้ามาถูกทางถึงจะเจอวัดปบ่บรรดาได้นี่ชั้นใดต้องก้าวถูกอัดถูกทำจึงสามารถตักจวงวมาผลที่ผานได้เต็มหัวใจดังหลวงปู่มัน่หนหรือหลวงพ่อแม่พระอาจารย์มั่นทั้งหลังเนี่นี่แล้วพ่อแม่พระอาจารย์เสาเหมือนกันทั้งสองถ้าองค์นี้เป็นผู้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 เรื่องปฏิวัติาของพระแม่กูฏานเนี่ยดําเนินด้วยความถูกต้องราบลื่นดีงามสม่ําเสมอไม่ผาดไม่ผ้นโลดเต้นไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่มีคำว่าแข็งแข็งเพิงเพิงอยากเด่นอยากดังไม่มีมีแต่เป็นสวดคาธรรมเดินตามสวขคธรรมเรียบลาบไปเลยนี่เป็นธรรมแท้ไม่มีคําว่าอยากโออยากอวดอยากแข่งผู้หนึ่งผู้ใดอยากยกตนข่มท่านประการใดอย่างนี้ไม่มีในปฏิวัติาของหลวงปู่มั่นเพราะเป็นปฏิวัติธาที่เป็นธรรม ล้วนๆย่อมไม่กระทบใครทั้งนั้นเนี่ยไอสิ่งที่กระทบน้นกระทบนี้เหยียบน้นย่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกโดยอาศัยทําเป็นโลกบังหน้าทอนนั้นเองนี่มีอยู่มากเวลานี้ให้พักน้มัตระวังกําลังแทรกขึ้นอยู่ทุกแห่งตุกหนั่นแหละวงศาสนาวงมัดวงบาว ง, วาวงนักปฏิบัติมันมีแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมากมารบ้านการเมืองแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเห็นแ้ยตัววั น, นดูอ้าวไม่เห็นได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่มนุษย์ดูกันทำไมดูไม่ออกฟังกันทํำไมฟังไม่ออกล่ะก็ภาษาเดียวกันมันต้องรู้มันตต้้้้อองงรูมเขาใจ ใครจะไปโง่ขนาดไหนว่ากล่อมให้หลาปะทุอย่างได้เหรือเรียนมาคัมภีรเดียวกันทําไมจะไม่รู้แล้วยิ่งเลยปฏิบัติด้วยแล้วเอานั่นเอายิ่งชัดเจนอมันจะเล่นรวดลายไหนมองเห็นหมดชัดเจนหมดขอให้บุคปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจถึงอัตถึงธรรมเถอะ เ, อเรื่องรวดลายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนไม้ไหนออกมาจากผู้ใดจากสำนักไหนกลุ่มใดมันต้องรู้หมดนอกจากจะพูดหไม่พูดเท่านั้นเอานั่นมันห ย, ยาบหยาบกิเลสมันละเอียดเมื่อไหร่เราจะเหนือธรรมผู้ที่ของผู้ที่ผ่านพ้นไปแล้ว ต้เป็นผู้ละเอียดตามงผู้แหลมคมยิ่งกว่ากิเดสที่แดงออกเพื่อออกมาท่างนั้นเป็นแต่ท่านไม่พูดท่านนั้นเองพูดแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆไปให้ก็เป็นอันให้ทราบไปโดยนายยะว่าที่ไม่กล่าวถึงนั่นก็ก็คือว่าไม่สนใจพูดยังไงอันใดที่กล่าวถึงเน้นหนักในกองไหนให้ถือจุดนั้นเป็นจุดสำคัญเท่านั้นเองมือคู่ปฏิบัติตามอย่างนั้นแล้วสม่ําเสมอเป็นสุขโตเดินไปก็ดีพูดไปก็ดีเป็นสุขโตดีดีดีดีงานไปดีไปดีพูดดี อไม่ให้กระทกระเทือนผู้ใดนี่ท่านเป็นธรรมการพูดนั่นย่อุแย่นี้ยุยงนั่นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมมันเรื่องของกิเลสตัวโส ok กโปรกพูดออกมาอะไรโส ok รกโตกอยุนั่นแย่นี้วด ต, ตัวข อ, ของตัวดีอย่างนั้นเหยียบย่ำทำลายของเขาไม่ดีอย่างนี้นัน่นแหละตัวตัวเสน่ห์จันไรตัวโส ok กโปคมากที่สุดให้นมัดระวังจิตของเราก็เหมือนกันมันไปดูถูกเหยียดหยามผู้ใด ให้ดูเนี่แล้วโอปนัจญโกคือพูดทั้งทางนอกย่นเข้ามาทั้งทางในให้มันเห็นทั้งทางนอกเห็นทา ง, งในรอบไปหมดตัวอย่างจุ่มเลี้ยวผู้ปฏิบัติรอบครอบแล้วดูว่าร้ายจิตของเราอีกด้วยมันจะดูถูกเ ย, ยาะย้ยองไหนผู้ใดอืว่าเราดีกว่าผู้ใดเราจะเดี๋ยวฉลาด ก, กว่าผู้ใดเรามั่งมีชีสุขกว่าผู้ใดเรามีฐานะดีกว่าผู้ใดเราเป็นชาติชั้นมาหน้าใดมันคิดออกอย่างเรื่องอะไรนี่คือเป็นความผิดของเจ้าของให้ดัดสัญญาณมันตรงนี้มีความผิดมันอยู่ในจิตนี่ก็ผิดเจ้าของไม่คนอื่นไม่รู้เจ้าของก็รู้ ผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องกระดุนรู้ให้เจ้าของรู้เจ้าของเองแก้เจ้าของเองดัดเจ้าของเองนี่เป็นธรรมสาหรับผู้นั้นเนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมแท้ให้รอบทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็ไปด้วยความสม่ําเสมอให้อภัยกันได้ทุกอย่างอรู้ได้กันได้สะดวกสบายเช่นหนึ่งอย่างนี้สุนน้กับเราอยู่ด้วยกันเห็นไหมนี่อืมันเป็นประเภทหนึ่งเราก็เป็นประเภทหนึ่งทำไมมันอยู่กันได้นี่ดูสินี่เพราะความจุลลักษพักดีเพราะความเมตตาสงสารกันให้อภัยกันมันอยู่ได้อย่างนี้นี่ดูอ๋อ คุณมกเลรู้สึกว่าก้อยเหนไ่อยกน่ันเป็นเลี้งเตีกว่าจะเตี้ธรรมดาทำนะเอาละนะพอืเห็นท่านก็ยิ่งเดบตรงธรรมสังเวชเรื่องกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์กรรมของเขากรรมของเราพระเจ้าทรงสอนไว้ว่ากรรมสตรีพระจิตยรดังขีณาปณิตังกรรมย่อมเป็นเครื่องําแนกแจกจ่ายที่มีความปนิเตียวสามต่างกันนี่เหมือนก็ตีกลางให้เห็นเวลาเนี่ยเราไปดูที่เอาเด็กจานวนเหล่านี้มารวมกันน่ะเน่เห็นได้ชัดเจน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 พระองค์ก็ทรงทราบเรืเ่องขปรเองชี้เองชัดเจนะมาจิมายามก็รู้เรื่องของจัดน์เนี่ยฮวาราที่สามก็ตัดสินกันกันกบอวิชาที่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดมันยิ่งได้สอนโลกโดยอย่างชัดเจนด้วยความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนมากธรรมาทานกำลังจะเป็นบ้านลยเนี่ยนุ่นเต็มถึงเท็มมันผิดอะไรที่ผมพูดเอาไว้น่ะประวัติทางขงพ่อแม่กูมาจานทร์มั่นที่พาดาเนินนี่คนทั้งหลายเขานับถือ แล้วแล้วกระายั่นอาจารยมั่นเนี่ยคนทั้งหลายก็นับถือนี่มันจะออกตุตรงนี้นะมันจะออกท่องนี้นะวะท้ายก็ข่านี่เป็นลูกจิตท่านอาจารย์มั่น่านี่เป็นพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมันประขายจินเป็นไปหมดเนี่ยแล้ววิโตวิญญารยม์มากตรงนี้แล้ว ก, กำลังเริ่มเป็นไปตามที่ผิดแล้วนี้ผิดที่ตรงไหนอืมทางองค์ต่างแช่ต่างแซงในเวลานี้ไม่ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์มันหมดอย่างอายนะกําลังแช่กําลังแซงกันไปนะอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่า เวลาขีดรวมพึ่งไว้มันแซงหน้าแซงหลังนั่นนั่นอ่ะอย่างนี้ก็เหมือนกันใครก็เก่งๆนะมันมีแต่เก่งๆนั่นเดียวนี้นะผมไปกรุงเทพคราวนี้ผมจัดตะหาไปด้วยความจําเป็นนี่ไปทราบว่าพระเหล่านี้ก็ไปอย่างนั้นไปอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมีหนังสํานวัดเราอีกมีไปอีกนี่อะไรไม่ได้พูดเรื่องเราแล้วให้ท่านฟังเสียก่อนด้วยก่อนที่จะไปทําไมมัจึงเป็นอย่างนั้นพระองค์นี่ก็สมกับที่ว่าสืบพันธุ์ในกำเนิดไว้แต่ก่อนนั่นแหละ ม, มันท่าแบกแนวนะพระองค์นี่น่ะ ดูกับที่ปียาดูอะไรไม่เหมาะแล้วจริงไม่ให้ไปนั้นมาอีกนะ่ะมายิ่งมาแสงดงลวดลายหนักเข้าไปอีกท่านเห็นชัดเจนอย่าี้นี่เจ้กลนะพระทำไมจึงเป็นบ้าที่สุดล้นลอย่างนี้นะ่ะแล้มานี้ให้ออกจากวัดไปเลยนะอย่ามาอยู่วัดนะมันหนักบัดรนะท่นานชาก็ขาดไปแล้ไม่ได้เรื่องในร า, าวอะไรไปไม่ได้น่าในหลังอะไรผู้พูดแทนเราพู้นั้นเรามีอยู่ก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลย นี่พอมาแล้วก็เจอก็พูดแล้วก็ไปเลยหาความงามไม่ได้หาความเหมาะสมไม่ได้ฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลว่าพระมาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อทำอย่างนี้ที่แสดงอย่างนี้อืมเพื่อกิเลสทั้งนั้นเนี่ยมานี่็ทั้งสองให้บอกไปชนะอย่าให้อยู่มันหนักวัดนะ่ะพรรษาก็ขาดไปแล้วแหละจะเอามาอยู่ให้มันหนักวัดอีกต่อไปนี่มันอะไรเจ้าผลอืม ครับก็มากขึ้นเรื่อยๆปี 24, 24นี้สี่สิบสี่นะว่าเราพอเราแนบแนบประตูสักนิดหนึ่งก็ตัง้งตั้งใจยี่สิบบเก้ายสปลาถเป็นยี่บห้ายี่บ้ากับยี่เก้ายี่เก้าสามยิบห้านี่ยเราไม่ดืมนะสายี่ห้าแล้วสี่เยปีการ ป, ปีนี้4ี่สสี่นั่นขึ้นอยากขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมลงไม่ยอมลงแล้วมามขาให้หนักใจ่างนี้นะมันมาด้วยความตั้งอกตั้งใจมันหนักใจทั้งหมู่เพื่อนด้วยนะไม่ใช่หนักใจตะเราผู้ปกครองอย่างเดียวมันหนักยี ท, ทงขวังอยู่ ชีวความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่มันกระเทือนไปนหมดนั่นนหละถามว่าไม่มีเหตุผลที่ควรจะแก้ดุดในนี้แล้วก็ให้หนีไปจากวัดนี้เท่านั้นเรื่องจะมีความจําเป็นที่ขาดรรษาเพราะความจําเป็นมันหนีพระวินยัยยุทธธรรมยังให้อภัยถ้าเหตุผลที่จะมาแก้นี้นไม่สมดุลกันแล้วก็ต้องออกจากวัดเท่านั้น่ะไม่ควรจะอยู่ในวัด น, นี้ให้หนักหมูเพื่อนและเราผู้ปกครอง นอกจากเหตุผลที่เหมาะสมท่านั้นขาดภาษาเพราะเหตุผลเหมาะสมท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ปราอาบัดเพราะไม่เป็นการโกหกเป็นสิ่งที่สุวิสยัยมีอยู่ในพระเวเนยข้อนี้ก็ยังมีอ่าอแล้วพนะอ